วันนี้มาค่าบูชานะพวกเราคงรู้สึกไม่เห็นต้องบอกเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วถึงได้มากันตอนเย็นการบูชานะอะไรๆก็สู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้หรอกต้องฝึกจริงๆเลยเรื่องของการปฏิบัติเนะี่ยถ้าเรา ทำบ้างไม่ทำบ้างอย่าหวังเลยว่าจะได้มากผลนิพพานของฟรีไม่มีนะของฟลุกก็ไม่มีไม่มีฟรีไม่มีของฟลุกมีแต่ต้องลงทุนลงแรงทาําออกวิธีการปฏิบัติวันนี้หลวงพ่อจะลองพาพวกเราปฏิบัติดูขั้นแรกสุด ไม่ใช่นั่งตัวตรงๆ ต, ตัวแข็งๆนบางคนพอได้ยินว่าจะพาปฏิบัติเอาลนะมันทำตัวเหมือนนักวิ่งอนะ่ะเข้าเส้นสตาร์ทเคยเห็นไหมเขาวิ่งแข่งว่าจะเข้าเส้นสตาร์ทนะจะ <c oughs> วิ่งแล้วนะใช้ใจปกติอย่างนี้นะใช้ใจปกติทำใจสบายๆไม่ต้องแกล้งสบายนะ ใจของเราโดยธรรมชาตินะมันสบายอยู่แล้วมันไปไม่สบายเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามาราคะแทรกเข้ามาใจก็ไม่สบายโทสะแทรกเข้ามาใจก็ไม่สบายฟุ้งซ่านเข้ามาใจก็ไม่สบายหลังเลสงสยัยอะไรอย่างนี้ใจไม่สบายหดหูใจก็ไม่สบายเราใช้ใจปกติซึ่งมันไม่ถูกกิเลสแทรกเนะีย ดูนืู้บตัวไปตามธรรมดานี้แหละดีที่สุดเลยเราลองดูนะหลับตาหลับตาจะอยากกลิ่นจิตนะหลับตาลงหลวงพ่อจะพาภาวนานะทําความรู้สึกว่าตอนเนี้ยพวกเรากําลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเรากําลังอยู่หน้าพระพุทธเจ้าทําความรู้สึกในใจ เออทำอย่างนี้แหละแเราหายใจเข้าพูทหายใจออกโททำไปถือว่าเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังถวายการปฏิบัติกับพระพุทธเจ้า เวลาที่เราปฏิบัตินะทำใจว่าเรากำลังอยู่หน้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปมองหน้าท่านไม่ต้องไปวาดภาพพระพุทธเจ้าหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้นันน้นฟุ้งซ่านการที่เราคิดนะว่าเรากำลังอยู่หน้าพระพุทธเจ้านี่แล้วเราภาวนาเนี่ยใจมันจะไม่อ่อนแอ มันคล้ายๆเราอยู่หน้าอยู่ตอนหน้าท่านที่เราเคารพนับถือเราจะไม่กล้าขีดเกียดการปฏิบัติบูชาของเราก็จะเข้มแข็งนี่พอสมมติว่าเราได้ภาวนาพอสมควรแล้วค่อยๆทำความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นทำความรู้สึกตัวมากขึ้น ให้ใจแรงขึ้นให้จิตมันจะค่อยๆถอนตัวขึ้นมาการออกจากสมาธิไมันจะไปพลวดพลาดออกมามันจะเป็นหัวปวดหัวหายใจค่อยๆรู้สึกตัวค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมากําำลดจิตแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญออกไปเ น, นี่ยเรามีบุญเราได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว ขอให้สัตว์ทั้งหลายนะมีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายได้มีส่วนแห่งบุญที่เราทำแล้วฝึกให้มันเป็นนิสัยในการปฏิบัตินะแผ่เมตตาแผ่ชนบุญเสร็จแล้วก็ลืมตาได้ พอจำวิธีได้ไหมรู้สึกไหมว่ามันทำแล้วมันมีพลังมากขึ้นนะใจเราจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ไปจ้องหน้าไปวาดภาพพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะมันแค่ทำความรู้สึกว่าเราอยู่ต่อหน้าท่านวิธีนี้หลวงพ่อก็ใชนะ้สมัยก่อน หลวงพ่อมีความรู้สึกนะไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเนะี่ยมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ต่อหน้าหลวงปู่ดูลัณอันน้ก็เป็นสังขารุสติมัจะไม่กล้าฟุ้งซ่านตเตลิดเปิดเปิงอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนเราอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักพวกเราแต่ละคนเป็นลูกมีพ่อมีแม่ ไม่ใช่พวกอนาถาพวกอนาถาคือพวกที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะได้มีส่วนในมรดกธรรมะที่ท่านทิ้งไว้ให้ ใ, ใจเราน้อมเราลึกถึงท่านบ่อยๆสมาธิของเราจะเพิ่มขึ้น หลวงพ่อบอกบ่อยๆนะว่าคารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนคือไม่มีสมาธิอันที่หนึ่งไม่มีสมาธิข้อสองไม่มีความต่อเนื่องทําบ้างไม่ทําบ้างถ้าเราแก้นิสัยไม่ดีสองจุดนี้ได้การปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทุกวันจะแบ่งเวลาไว้นะ สมมติเรานั่งรถเราไม่ได้เป็นคนขับรถนะระหว่างนั่งรถแทนที่จะปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเล่นเราก็ามาคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเหมือนท่านมองเราอยู่แล้วก็ะเพาหนางเราไปพุโทโธพุโทโธไปหรือพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือพุทธังสรนังคจ า, ามิอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ หลวงปู้ขาวท่านก็มีของท่านนะบทภาวนาพุทธาเมตตังจิตตังมะมะพุทธาพุทธานุภาเวนะที่จริงแล้วบริกรรมอะไรก็ได้เป็นแค่สิ่งที่มาจูงใจเราไม่ให้วอกแวกไปที่อื่นลนะึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อย นี่เราบางคนก็จะสงสัยพระเจ้านิพพานแล้วเราลึกแล้วจะได้อะไรนิพพานไม่ได้แปลว่าศูนย์นะไม่ใช่แปลว่าศูนย์แต่เพียงแต่ จ, จิตของเราคุณภาพมันไม่ถึงที่จะสัมผัสถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆต่อไป เวลาเราะระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือะระลึกถึงครูบาอาจารย์หรือเระลึกถึงพระนิพพานนี่เป็นธรรม ะ, ะระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็เป็นพระพุทธเจ้าะระลึกถึงพระนิพพานนี่เป็นพระธรมะรมระลึกถึงครูบาอาจารย์นี่เป็นพระสงฆ์สิ่งนี้อยู่ด้วยกันเป็นอนองอันเดียวกันจ ะ, ะระลึกในมุมไหนก็ได้ เวลาที่ไฟมันดับเราจุดไฟไฟดับไปไฟดับนั้นไฟไม่ได้ศูญแต่ไฟนั้นกระจายความร้อนนั้นกระจายตัวออกไปเต็มจักรวาลนะจิตที่ฝึกเต็มที่แล้วในวาลาสุดท้ายไม่ได้เกิดไม่ได้ตายนะไม่ได้เกิดไม่ได้ตายจริงๆแล้ว จิตอย่างที่พวกเรามีนะีมันสลายตัวไปตั้งแต่วันที่บรรลุพระอราหันต์แล้วมันมีธาตุรู้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นจะว่าธาตุรู้นี้เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันปรากฏขึ้นธาตุรู้นี้พวกเราก็มีแต่มันถูกกิเลสปิดบังห่อหุ้มเอาไว้ในวันที่เราสิ้นอาสวะกิเลส ที่หอห้มจิตธาตุรู้นี้ก็แสดงตัวออกมาธาตุรู้นี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีชุติไม่มีอุบัตมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะ ม, มันเป็นอันเดียวกับธรรมะมเป็นอันเดียวกับพ ร, ระนิพพาน เวลาเราจ ะ, ะระลึกถึงพระพุทธเจนะ้าใจมันก็ถึงกันเลยท่านไม่ได้สูญไปไหนแต่อย่าไปวาดภาพนะว่าท่านเป็นกลายเป็นพระพุทธรูปไปนั่งเข้าแถวสายเป็นแก้วอันน้นิมิตทั้งหมดเลยที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นคุณงามความดี เนความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์ถ้าจะพูดถึงพระนิพพานหรือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านนิพพานแล้วเนี่ยม่มีมคําอยู่คําที่เหมาะนะคือคําว่าสุทธิความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์เนืเดียวกันเป็นความสงบเป็นความสันตินะ แล้วก็มีความสุขถ้าเราไม่สนใจที่จะปฏิบัติเราก็จะไม่เข้าใจตลอดไปถ้าเราใส่ใจการเจริญอยู่ในสตินะพัฒนาสติไปศีล ส, สมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นเราจะเหมือนเราใกล้พระนิพพานมากขึ้น นิพพานไม่ใช่โลกๆกหนึ่งนิพพานไม่ใช่ภพบพหนึ่งสมัยหลวงพ่อเป็นโยมเคยภาวนาแล้วเข้าไปสู่ภพบพหนึ่งภพนี้ไม่จับท้งผู้รู้ไม่จับทางสิ่งที่ถูกรู้ไม่จับอะไรเลยไม่มีร่างกายไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีพระทิ์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีคนสัต สิ่งของอะไรไม่มีเลยมันว่างไม่มีเวลาเราเข้าไปอยู่ที่นี่ไม่รู้สึกว่าสั้นหรือยาวไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนี่ไปอยู่ตรงนี้นะทีแรกก็นึกว่าตรงนี้ดีเป็นพระนิพพานนี่นนโลภู บุญจันทร์ท่านชี้ให้ดูเวลาเราจะมาสู่สภาวะนี้เราจะมีการนำจิตเข้าไปสู่สภาวะนี้ท่านตวาดใส่หลวงพ่อแล้วบอกเฮ้ยนิพานอะไรมีเข้ามีออกยังเข้าไปออกมาอะไรเนี้ยของปลอมนะมันเป็นแค่สมาธิชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนี่มันไม่จับอะไรทำไปก็ไม่ทำให้นิพานหรอก แต่เจริญสตินะรักษาศีลมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูอย่างนี้ไปจะเห็นในรูปนามกายใจเหล่านี้ลวนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราเห็นครั้งที่หนึ่ง อาสวะกิเลสก็แหวกตัวออกกิเลสบางส่วนกะถูกละไปเมื่อวานมีคนจะทำวิทยานิพนธ์ดอกเตอร์จากมหาจุฬาจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องวิถีสู่ความเป็นอริยะของชาวเมืองมาสัมภาษณ์หลวงพ่อหงพ่อยังบอกเออมาถูกที่แล้ว ลูกศิษย์เราส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนคือพิถีสู่ความเป็นพระอริยะทั้งนั้นลนะห น, นีไม่พ้นเรื่องการมีสตินะเรื่องศีลสมาธิปัญญาเฝ้าเรียนเฝ้ารู้ไปนะแล้วเวลาเรามาดูกายมาดูใจน ะ, จะเจริญปัญญาอยู่ใจมันจะฟุ้งซ่านพอใจฟุ้งซ่านเรากลับมาทําความสงบใหม่ วิธีง่ายๆที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าเมาื่อตะกี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อเช้าทำใจสบายทำใจปกตินึกว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเอาทดสอบดูว่าได้เร็วแค่ไหนส่วนใหญ่ก็ใช้ได้นะ รู้สึกไหมมันสงบลงถ อ, อยออกมานะตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อฝึกตัวเองที่จะให้จิตเนี่ยส่งสมาธิขึ้นมาในสามวินาทนะีอย่างจิตกำลังฟุ้งซ่านแหลกลานอยู่เนี่ยในสามวินาทีเนี่ยต้องตั้งหลักได้จิตสงบตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้ ฝึกสามวินาทีถ้าไม่เอาสามวินาทีกาว่าถ้าเกิดรูบัิเหตุจะตายนะ้าจะมีเวลาสักสองสามวินาทีเนาจะได้เอาตัวรอดได้ไม่ใช่เอาตัวรอดหมายถึงรอดชีวิตนะถ้าจะตายเนี่ยจะต้องตายอย่างสิทธิ์มีครูไม่ใช่ตายอย่างหมาข้างถนนนะเนี่ยพยายามฝึกนะฝึกเรื่อยๆไปเนี่ยสมาธิเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะ เวลาใจเราฟุ้งเนี่ยพอเรารู้ตัวว่าใจเราฟุ้งเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้านะพุโทโธพุโทโธปุ๊บจะสงบเลยนะถ้าเราชนานาญขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าใจเราฟุ้งสั้นจิตสงบเลยนะไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วนั่นเป็นอุบายทั้งสินนะ้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานนะการทำสมาธิจาเป็นมากนะ ที่ให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นจิตถึงจะมีแรงอย่างเมื่อกี้พอหลวงพ่อเทศธรรมะที่พวกเราไม่เข้าใจพอนะพวกเราไม่เข้าใจนะพวกเราก็เริ่มคิดจิตของเราก็หมุนหมุนหมุนนะพอจิตเราฟุ้งซ่านอย่างเนี้ยสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีหลวงพ่อบอกกลับมาทำความสงบนี่ถ้าเราชํชนานีชานาญในเรื่องของจิต เราจะสงบได้ในเวลาไม่กี่วินาทีนะสงบอยู่เท่าที่ต้องการนะค่อยๆฝึกจนมันเป็นวสีชานาญชำนาญในการเข้าสมาธิชำนาญในการทรงอยู่ในสมาธิชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิชำนาญในการออกจากสมาธินะฝึกให้ชำนาญในสีลักษณะนี้ ชำนาญในการข้าวอย่างเมื่อกี้พวกเราก็เริ่มใชชำนาญในการข้าวบ้างแล้วแต่บางคนโมหะแทกแล้วดร โ, โบโมหะแทกเข้าไปแล้วลองซ้อมใหม่สิคิดถึงพระพุทธเจ้าเรากำลังอยู่หน้าพระพุทธเจ้า ใช้ได้นะถ้าพอตอนหลวงพ่อใช้คาว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยฟุ้งซ่านนะจะคิดคิดคิดหลวงพ่อเปลี่ยนคำนิดเดียวทาความรู้สึกเหมือนเรากำลังนั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้าแค่นี้ใจเราก็รวมแล้วรู้สึกไหมปรอเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนนะเราจะเวียนเทียน เวลาเวียนเทียนนะทำใจว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในศาลานีนะ้เรากำลังเวียนสามรอบเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะทำใจว่าเรากำลังเดินอยู่รอบๆพระพุทธเจ้านะลองทำใจอย่างนี้ดูนะนะทำอะไรต่อ สวดเจะนจะเจภาไม่ใช่ภ า, าจจนะจะภาพระพวกเราไม่ต้องสวด น, นะเราสวดเก่งกว่าพระเดี๋ยวพระล่มนะจะสวดมนต์ถวายพรพระนะพวกเราก็ทำสมาธิไปทำสมาธิเหมือนที่หลวงพ่อสอนตะกีน้นะี้ว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านะแล้วพระสาวกทั้งหลายกำลังสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ้าอยู่ ริมรสชาติของสมาธิบ้างยังฝึกทุกวันทุกวันนะให้มันชานานเราทำงานทางโลกร่างกายเราเหนื่อยเรายังต้องพักผ่อนอยู่กับโลกใจเรายิ่งเหนื่อยกว่าร่างกายอีกอย่างร่างกายหมดเวลาทำงานเรายังได้พักแนตะ่ ใ, ใจไม่มีเวลาหยุดเลย การที่จะให้ใจได้พักเนะี่ยทำได้อย่างเดียวนะทำสมาธิทำสมามธะกรรมฐานนะให้จับหลักให้แม่นๆนะอย่าอย่าน้อมใจให้เสื่องซึมอย่าทำใจให้เคร่งเครียดนะใช้ใจปกตินี่แหลนะทำความรู้สึกขึ้นมานะถ้าภาวนาชำนาญไม่ต้องนึกถึงอะไรเลย ด้วยจะทำความสงบมันก็ทำความสงบไปเลยแต่ถ้าเรายัางไม่เข้มแข็งเราก็มีอนุสติต่างๆอย่างพุทธานุสตนะิตัวแรกเลยคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อบอกเนะี้ยคิดว่าเรากาลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราไม่กล้าทำอะไรเหลวไหลเวลาเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านะีเป็นนาทีทองนะ เป็นเวลาที่ยากลำบากที่จะหาได้เราอย่านึกว่าพระุทธเจ้านิพพานแล้วสูญไปถ้าใจเรานึกถึงก็ถึงเราลึกถึงคุณงามความดีของท่านเวลาใจเรานึกถึงท่านใจเราก็สงบตั้งมั่นมีความสุขเมื่อกี้หลวงพ่อนั่งดูพวกเราเราเวียนเทียนกันมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้ว เพ่อจะเห็นวันเนี้ยที่ระหว่างที่เรารอคนอื่นเขาเวียนเทียนนะ่เรายัางภาวนากันอยู่ะส่วนใหญ่นะบางคนก็หุนหินงุนหินนะนั้นยังจิตใจมันยังไม่เคยฝึกมันก็ทิ้นไปทิ้นมาแต่ส่วนมากของพวกเราเนี่ยมันทําได้ละวระลึกถึงพระเทเจ้าไปภาวนาไปจิตใจสงบแล้ว พ, พ่อยกตัวอย่างเลยนะ ใต้สื่องเนี่ยพระจีนนะนะท่านมาใหม่ๆนะท่านชอบนั่งสมาธิเครียดเครียดนั่งไม่เป็นหรอกนะไม่เป็นสมาธิวันเนี้ยจิต ท, ท่านมีสมาธิองค์ที่นั่งหัวแถวเลยนะแต่จิตพวกเราไม่มีสมาธิแล้วพยายามฝึกนะ ฝึกไปให้ใจได้พักผ่อนถ้า ใ, ใจไม่ได้พักผ่อนมันก็เครียดถ้าใจได้พักผ่อนเอาไปทํางานทางโลกก็ได้เอาไปปฏิบัติธรรมก็ได้จิตใจสบายงั้นไปให้รางวัลกับตัวเองกลับบ้านก็ไปภาวนาต่อวันนี้วันมาฆ บ, บูชานะไม่ใช่เลิกบูชาตอนที่หลวงพ่อเลิกแล้ว ถ้าเราพาวนาไปได้เรื่อยๆนะเหนื่อยเราก็พักพอมีกําลังขึ้นมาเราก็ภาวนาต่อนะหลวงพ่อก็เคยทําอย่างนั้นนะเราอยู่ได้โตรุ่งเลยนะถ้าเราจะทํานำะใจเรามีความสุขร่างกายเรามันก็ได้พักอยู่แล้วมันนั่งนั่งนอนนอนอะไรเงี้ยนะ ใ, ใจเราเหาม็นไม่เคยพักให้มันพักซะนะแล้วพักพอสมควรแล้วมีข้อระวัง ต้องระวังนะถ้าเราติดความสงบมากไปนะเราจะขี้โมโหนะอารมณ์จะรุนแรงงั้นทำความสงบพอจิตใจได้พักผ่อนพอสมควรแล้วออกมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปอย่าสงบอยู่เฉยๆนะถ้าสงบเฉยๆนานๆ น, น, นี่นิสัยจะร้ายมากเลยร้ายกว่าคนธรรมดา เราจะเห็นนะพวกข้าวัดบางคนนี่ใส่รายมากน่าเกลียดใครกระทบนิดเดียวเหมือนลูกระเบิดเลยตอนนี้ก็สมควรแก่เวลานะห้าโมงครึ่งตามที่หลวงพ่อกะไวเราเริ่มสี่โมงนะถึงห้าโมงครึ่งพระท่านจะสวดแผ่เมตตาพวกเราก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปนะต้องการจะให้ใครก็นึกถึงเอา จิตมันไม่มีระยะทางพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราตายแล้วเราระ ล, ลึกถึงมันก็ถึงนะขอให้ใจมันมีสมาธิพอเท่า น, นั้นละนะจิตไม่มีระยะนิมนใจน่าะสง่ง สัพพะตาวระหุนตุสัพพะสัพตาปยาปชาหุนต e, ุสัพพสัพตาอานิกฆะหุนตุสัพพสัตาสุขอาตา낭 pari harantu สัพพสัพตาสัพพุฆะปมจัณฑุ ชสมพันต e ah e ิโตมวิัตาถาตรมะศักกะกรรมะายะกรรมโยนิกรรมะปุถุกรรมะปะนิสารนายังกรมะะรสิกมยานังปะปะกมวะส ชาชีวินุขอขวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวทตอกันเป็นผู้ดำรงชีพ อ, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกต่ังคุณยังพลังไม่ทำสัพเพพาคีพันตุเตขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั่นเธอหลวงพ่ออนุมโมทนาทุกๆคนนะอุตสาหมาอยู่วัดกันจนเย็นนะกลับไปภาวนาต่อนะแล้วเวลาเราภาวนาจิตเรา ฟุ้งซ่านอยู่ๆก็ฟุ้งซ่านขึ้นมามืดขึ้นมานะกระสับกระส่ายอะไรขึ้นมานึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อสอนนี้นะนะพลังงานที่ไม่ดีมันสลายไปเองพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะไม่มีอะไรมีอำนาจเหนือพระพุทธเจ้าไดนะ้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลวันะวภาวนาไปไปกับบ้าน